ตอนนิยมมาเยอะทุกวันนะหลวงพ่อจนปัญญาไม่รู้จะคุยด้วยทั่วถึงได้ยังไงตอนอยู่เมืองการก็ยังไม่เยอะเท่านี้มาวันหนึ่งสิบกว่าคนห้าคนสิบคนอะไรนี้นะมันเรียนกันตัว ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต่อตัวได้ธรรมะที่เรียนแล้วมีคุณภาพมากที่สุดนี่ยอลูกศิษย์หนึ่งอาจารย์ห น, นึ่งเนี่ยดีที่สุดเลย ถ้ธรรมะเราเรียนกันด้วยหัวใจจริงๆราไม่ได้เรียนแบบฟังเลคเชอร์นี่พอโยมมากๆอย่างนี้โยมต้องช่วยตัวเองให้เยอะหน่อยนะหลวงพ่อช่วยพวกเราได้ไม่มากเหมือนครูบาอาจารย์นะ ผ, ผู้เท่าทั้งหลายคนไปวัดท่านวันละพันสองพันคนนะท่านทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างมากก็บอกว่าทําทำทานไปถือศีลไปไนนะพุโทโธไปออย่างเงี้ย ช่วยได้แค่นั้นละ่ะแปัจจุบันนี้ที่ที่ที่เห็นแต่ละในแต่ละวันนะวุดไม่ต้องพนนมือนะอุดถือไม่ใกล้ๆปากนี่เลยครับก็เออก็เห็นคือคือไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็จะมีก็ก็จะระลึกรู้เห็นแบบว่าเออคิดนึกมองได้ยินนี่มันก็เห็นมันเอ่ออืมคื อ, คอมันรู้ตามทันไปเองไง อย่างนั้นนะครับจิตขณะนี้เป็นยังไงขณะนี้รู้ตัวเต็มที่อย่างบูดไม่ไม่เต็มที่มันเป็นยังไงดูออกไหมมันมีมันมัวมัวเออตับถูกแล้วครับคือถ้าตรงนี้ถ้ารู้สึกตัวให้รู้ว่ารู้สึกตัวเต็มที่แล้วก็มีปัญหาครับแต่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงจิตมีโมหะจิตมีโมหะมัวมั ว, มวแล้วฟุ้งรู้สึกไหม มีความฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่มีปัญหาจิต<ะ>ใจน ะ, ะเขาทำงานของเขาทั้งวัน<ะ>เขาปรุงดีบ้างปรุงร้ายบ้างไม่เป็นปัญหานะจิตจะปรุงกุศลจิตจะปรุงอกุศลไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยชอบเข้าไปปรุงแต่งจิตเช่นจิตมีอกุศลนะหาทางละจิตเป็นกุศลพยายามรักษาหรือพยายามทำให้กุศลเกิดขึ้นมา จิตปรุงแต่งไม่เป็นไรเราอย่าไปปรุงแต่งจิตเพราะฉะนั้นอย่างจิตของเรามีโมหะมัวให้รู้ด้วยความเป็นกลางนี่คีย์เวิร์ดของมันนะคือรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าเรารู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้เราจะเข้าไปปรุงแต่งเช่นจิตเป็นอกุศลนะอยากให้ดีไม่เป็นกลางแล่เราก็พยายามหาทางทําอย่างโน้นทาอย่างนี้ การที่เราปรุงแต่งการที่เราพยายามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นแหละมันปิดกั้นไว้ปิดกั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นตราบใดที่จิตยังปรุงแต่งอยู่นะตราบใดที่ไปหลงปรุงแต่งจิตไม่ใช่จิตปรุงแต่งตราบใดที่ยังไปหลงปรุงแต่งจิตอยู่จะเห็นนิพพานไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเห็นจิตนี้ปรุงแต่งไปทั้งวันทั้งคืนเราไม่ปรุงแต่งจิต ถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยจิตมันก็ส่วนจิตนะคือทำงานของมันไปธรรมชาติที่เป็นคนไปรู้ก็อยู่ตาหากไม่เกี่ยวกันนะธรรมชาติที่ไปรู้ขันโดยที่ไม่ไปยึดขันนั่นแหละธรรมชาติอย่างนี้นะถึงจะไปเห็นนิพพานได้จริงๆมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องยากเลยนะนิพพานไม่เคยหายไปไหนสักวันเดียวเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรามาแต่ไหนแต่ไร ไม่ได้อยู่ไกลเลยนะอยู่ต่หน้าต่อตานี่เองแต่เราไม่เห็นนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งนิพพานมีชื่ออันหนึ่งว่าวิสังขารนิพพานมีชื่ อ, อนหนึ่งว่าวิราคะไม่มีความอยากใจของเรามันมีความอยากอยากปฏิบัติธรรมอยากดีอยากโน้อนอยากนี่ขึ้นมาเพราะมันมีความอยากขึ้นมามันก็ปรุงคนชั่วก็ปรุงชั่วคนดีก็ปรุงดีนักปฏิบัติก็ปรุงดีขึ้นมา คอยควบคุมกายคอยควบคุมใจหาทางทําอย่างนั้นหาทางทํำอย่างนี้การที่พยายามทําหนูนั่นแหละทําให้ไม่เห็นนิพพานฉะนั้นขันห้านะขันห้าเขาเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งเรียกสังคตะธรรมฉะนั้นขันห้าต้องปรุงแต่งขันห้าเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเราไม่ได้เไปฝึกให้ขันห้าไม่ปรุงแต่งนะงั้นอย่างจิตเนี่ยจิตอยู่ในขันห้าจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่ง เราไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่เมื่อเขาทำงานขันห้าเขาทำงานแล้วเนี่ยอย่าหลงเข้าไปแทรกแซงขันห้าพวกเรานักปฏิบัติชอบแทรกแซงขันห้านะเช่นร่างกายนี้มันจะหายใจเราก็ไปแทรกแซงการหายใจไปเปลี่ยนจังหวะ ก, การหายใจหายใจให้ผิดธรรมดาแล้วก็เหนื่อยนะร่างกายเคยขยับเคยยืดเคลื่อนไหวเคยยืนเคยเดินเคยนั่งเคยนอนท่านั้นท่านี้ เราก็เริ่มไปจํากัดมันต้องอยู่ท่านั้นต้องอยู่ท่านี้ต้องเดินอย่างนั้นถึงถูกต้องนั่งอย่างนี้ถึงจะถูกเดินท่านั้นผิดเดินท่านี้นผิดเนี่ยเราพยายามเข้าไปแทรกแซงขันเวทนาเขาก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเขาก็สุขเดี๋ยวเขาก็ทุกข์เดี๋ยวเขาเฉยเฉยพอเราเห็นทุกข์ขึ้นมาเราไม่ชอบนะพยายามแทรกแซงให้หายไปพอความสุขก็พยายามแทรกแซงให้มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วแทรกแซงจะรักษามันไว้ นี่เราเข้าไปหลงแทรกแซงขันห้าสัญญามันจะจําได้มันจะหมายรู้ก็ไปแทรกแซงที่อุ้ดเคยพลาดเรื่องแทรกแซงสัญญาตัวนั้นจําได้ใช่ไห ม, มเห็นโตะไปเรียกว่าเก้าอี้อะไรเงี้ยนะไปแทรกแซงทําให้มันสับสนเสร็จแล้วมัจะอยู่ในโลกสมมุตินี้ไม่ได้เพราะว่าสัญญาไม่ตรงกับใครเขาเลยสังขารก็คือจิตมันต้องปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างเราไม่อยากให้ปรุงชั่ว เราอยากให้ปรุงดีเราแทรกแสงนะอย่างจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็มาพุทโธพุทโธมาฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอให้หายฟุ้งซ่านนี่แทรกแสงจิตโกรธขึ้นมานะก็พยายามแผ่เมตตาใหญ่แผ่เมตตาให้หายโกรธอันนี้ก็แทรกแสงจะถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแต่ดีแบบสมถะนะไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาเนี่ยเราจะให้ขันทํางานไป โดยเราไม่เข้าไปแทรกแซงขันใจที่มันสงบตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงขันเห็นขันไว้ตามความเป็นจริงเนี่ยใจดวงนี้เนี่ยใกล้ต่อมากผลนิพพานที่อาจารย์วัฒนาถามสังขารู้เบิกขายานเมื่อเช้าเนี่ยจิตที่มันตั้งมั่นด้วยปัญญานะตั้งมั่นมีปัญญาอยู่เห็นขันทํางานไปส่วนของขันจิตไม่เข้าไปแทรกแซงขัน อย่างนี้เรียกว่าสังขารู้เบกขามเป็นกลางกับขันเป็นกลางกับสังขารกับความปรุงแต่งทั้งหลายภาวะแห่งการสักว่ารู้สักว่าเห็นนี้จะเกิดขึ้นใจจะไม่ดิ้นรนเมื่อใจไม่ดิ้นรนเนี่ยถึงจุดหนึ่งใจจะเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนธรรมะที่ไม่มีความอยากธรรมะที่ไม่ดิ้นรนหรือวิวราคะกับวิสังขารหรือนิพพานนั่นเองงั้นไม่มีใครกีดกั้นเราไว้จากนิพพานเลย ไม่มีใครกิดกั้นเราจากมรรคผลเรากิดกั้นตัวเองด้วยความอยากจะได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละพออยากจะได้ขึ้นมาก็ดิ้นรนใหญ่เลยหาทางทำยังไงจะได้ทำยังไงจะถูกเวลาเรียนธรรมะก็ชอบถามนะจะวางจิตไว้ตรงไหนถึงจะถูกจะทำยังไงถึงจะดีทำยังไงจะมีสติได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราคิดแต่จะทำแทนที่เราจะรู้ทันการกระทานะแล้วหยุดการกระทาของใจเราเอง ส่วนขันไม่หยุดนะไม่ไปแทรกแซงให้ขันหยุดการเคลื่อนไหวนะหลายคนไปแทรกแซงขันเช่นไม่ยอมเดินนั่งอย่างเดียวนั่งไปเรื่อยๆนะคิดว่าถ้ามันอยากกระดุกกระดิกขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันจะแทรกก็เลยทรมานนั่งอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนนะคือเราชอบทำอะไรที่ที่เป็นการแทรกแซงขันนักปฏิบัติไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกชอบแทรกแซงขันแทรกแซงไปเรื่อยเลยบังคับไป กระทั่งทําสมถะนะก็คือพยายามบังคับให้ใจนิ่งแต่ว่ามีประโยชน์นะสมถะไม่ใช่หลวงพ่อว่าไม่ให้ทํานะยิ่งแต่ว่าทําสมถะบังคับใจไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคนิพพานอยากได้มรรคนิพพานต้องปล่อยให้ขันห้าทำงานไปและมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงว่ามันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนเลย ตรงที่ใจไม่ดิ้นรนนั่นแหละใจจะเข้าไปถึงธรรมะไม่ใช่ทำให้ขันสงบแล้วเข้าถึงธรรมะนะขันก็ต้องเป็นขันขันก็ต้องปรุงแต่งเพราะขันเป็นสังคตตธรรมธรรมที่ต้องปรุงแต่งถ้าระวางเป้าหมายของการปฏิบัติผิดเราจะเข้าถึงธรรมะไม่ได้นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติผิดอยากดีอยากดี อยากจะพ้นจากความชั่วอยากจะดีอยากได้รับความสุขนะพ้นจากความทุกข์อยากได้ความสงบพ้นจากความฟุง้งซ่านแท้จริงแล้วไม่มีใครทําขันเนี่ยให้สุขถาวรได้ไม่มีใครทําขันให้สงบถาวรได้ไม่มีใครทําขันให้ดีถาวรได้เพราะขันเป็นของไม่ถาวรสุขได้ก็ทุกได้ดีได้ก็ชั่วได้นะ แต่ความพ้นจากขันตั้งหากละคือความพ้นจากทุกข์เราไม่เข้าใจนะว่าความพ้นจากขันคือความพ้นจากทุกข์พ้นจากขันไม่ต้องรอให้ตายก่อนนะจิตนี่แหละมันไม่ยึดถือขันมันถอดถอนตัวเองออกจากขันเป็นอิสระจากขันเมื่อไรจิตเป็นอิสระจากขันถอดถอนตัวเองออกจากขันในพระไตรปิฎกมีคำหนึ่งด้วยสํารอกออกมาสํารอกออกจากขันพรากออกจากขัน ขันอยู่ส่วนขันนะขันก็เป็นทุกข์ตามธรรมดาของขันแต่จิตที่หลุดออกมาจากขันจิตที่พ้นจากขันตัวนี้ต่างหากที่ไม่ทุกข์ไม่ใช่พยายามไปปฏิบัติเพื่อให้ขันเป็นสุขนะพวกเราพยายามปฏิบัติจะให้ขันเป็นสุขเช่นอยากให้จิตสุขถาวรเนี่ยถ้าตั้งเป้าผิดการปฏิบัติผิดแน่นอนเลย งั้นสิ่งที่เราทําชาวพุทธทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทํายังไงจะดีทํายังไงจะสุขทํำยังไงจะสงบอันนั้นาศาสนาอื่นเขาก็ทําสิ่งที่ชาวพุทธเหนือกว่ า, าศาสนาอื่นๆที่แตกต่างจากาศาสนาอื่นๆ <c oughs> ก็อยู่ที่ตัวปัญญานั่นเองสิ่งที่ทําให้าศาสนาพุทธต่างจากคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องศีลไม่ใช่เรื่องสมาธินะาศาสนาอื่นก็มีศีลมีสมาธิแตกต่างก็แตกต่างในรายละเอียด อย่างคริสต์เนี่ยกินไวน์ได้ใช่ไหมประเทศเขาหนาวเขาก็กินได้สิมันแตกต่างกันไปส่วนสมาธิก็หลักอันเดียวกันหมดนะศาสนาไหนก็มีเรื่องของสมาธิมุสลิมละหมาดวันละหครั้งเหมือนเราสวดมนต์นั่นเองนะใจจดจ่อยเขาจดจ่อกับพระเจ้าจิตใจเขาสงบจิตใจเขามีความสุขแม้สมถะเป็นของสาธารณะนะ สมาธิเป็นของสาธารณะศีลก็เป็นของสาธารณะนักปราชญ์ทั้งหลายยกย่องการมีศีลเหมือนอนกันศีลแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ปัญญาต่างหากที่ไม่เหมือนกันคนอื่นนี่สอนเพื่อมุ่งความสุขถาวรความเป็นอมตะแต่พระพุทธเจ้าค้นพบว่าไม่มีทางทำขันให้เป็นสุขถาวรได้หรอกขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ เราได้ยินอริยสัจสี่ใช่ไหมอริยสัจสี่ข้อแรกคือทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันห่านะขันห้าคือตัวทุกข์ไม่มีใครทําขันห้าให้เป็นตัวสุขได้แต่ว่าพวกเราที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมักจะมุ่งหวังให้ขันห้ามีความสุขตั้งเป้าผิดนะยังไงก็ผิดทําไมเราอยากให้ขันห้ามีสุขเมื่อเราคิดว่าขันห้านี่คือตัวเรา เราจะเสียดายมากเลยถ้าตัวเราหายไปแล้วเราจะรักเหนียวแน่นที่สุดเลยว่ามันคือตัวเราเมื่อมันเป็นตัวเราเราก็อยากให้มันมีความสุขเพราะไม่รู้ความเป็นจริงคือมีอวิชชาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์คิดว่าขันห้าเป็นตัวดีคิดว่าขันห้าเป็นตัวเราก็าเกิดตัณหาเกิดความอยากจะให้ขันห้ามีความสุขอยากให้ขันห้านี้พ้นจากทุกข์พอมีความอยากขึ้นมาจิตใจก็ยิ่งดินน้นรน ดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ที่ปฏิบัติทำกันแทบเป็นแทบตายรู้สึกไหมพอลงมือปฏิบัติแล้วความทุกข์เกิดขึ้นตั้งเยอะแยะเลยความจริงต้องการพ้นทุกข์นะแต่ยิ่งดิ้นมันยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นมันยิ่งทุกข์พอยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นนะเนีวัตถสงสารหมุนเวียนอยู่ตรงนี้เองสังสารวัตหมุนอยู่ตรงนี้เองยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเวียนไปเรื่อยๆ ไม่มีทางสิ้นสุดเลยแล้วก็ดิ้นทํายังไงอจะพ้นทุกข์ทำยังไงอจะพ้นทุกข์ทำงไงกายนี้ใจนี้จะพ้นทุกข์พ้นไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเนี่ยเห็นขันก็ส่วนขันนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยคืนขันให้กับโลกไปคืนขันให้ธรรมชาติไปคือคืนก้อนทุกข์ให้โลกไป น, นั่นเองโลกนี้เป็นทุกข์นะขันเป็นทุกข์คาว่าโลกกับขันก็คาเดียวกันนั่นแหละบางทีก็บอกโลกคือหมูสัตว์ บางทีในพระใจบิดโวกโลกคือขันห้าคือรูปกระ nam ร่านเดียวกันมันเป็นตัวทุกข์นั่หน้าที่เราเรียนรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปด้วยจิตใจที่เป็นกลางนี่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เองคือรู้ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วไม่แทรกแซงพวกเราตั้งหน้าแทรกแซงลูกเดียวเลยแทรกแซ ง, บ, งบังคับเขี่ยวเข็นอยากให้ได้มรรคนิพพานอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบ มีแต่แทรกแสงพอแทรกแซงมันก็คือการกระทํากรรมก็มีวิบากมีความทุกข์ขึ้นมาอีกมีกิเลสคืออยากพ้นทุกข์เกิดการกระทํากรรมเรียกว่ากรรมฐานเกิดวิบากมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีกิเลสอยากปฏิบัติมีสติรู้ทันรู้ทันความอยากดับลงไปไม่มีความอยากปฏิบัติ แต่รูปเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเองไม่ได้จงใจรู้สึกรู้สึกแล้วไม่ทําอะไรไม่แทรกแซงนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปทําอะไรกับรูปกระนามกับกายกับใจรู้ลูกเดียวรู้อย่างเป็นกลางใจที่เข้าถึงความเป็นกลางก็ไม่ดิ้นรนใจที่ไม่ดิ้นรนนี่แหละจะเห็นนิพพานงั้นพลากออกจากขันเมื่อไหร่ก็เห็นนิพพานเมื่อนั้นพลากออกจากขันไม่ใช่ตายนะอยู่ต่หน้าตา่อตาเนี่ย ถ้าใครภาวนากับหลวงพ่อไปช่วงหนึ่งจะเห็นตื่นเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกที่พวกเรานักปฏิบัติทำนะั่นคือหยิบเฉวยจิตขึ้นมาก่อนหยิบเวยขึ้นมาก่อนดูออกไหมพวกที่ฝึกมาช่วงหนึ่งแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมานะคว้าปั๊บเลยกลัวไม่ได้ปฏิบัติกลัวหายกลัวจะหลงไปคว้าไว้แล้วก็มาดูใหญ่ดูศึกษานี่นึกว่านี่คือการปฏิบัติธรรมนะนี่กําลังหลงอยู่แท้ๆเลยนะ แล้วไม่ได้ดูเฉยๆนะบีบด้วยนะเค้นมันทั้งวันเลยเค้นมันทั้งวันเวลาตันหาเกิดทีหนึ่งเค้นทีหนึ่งตันหาเกิดทีหนึ่งเค้นทีหนึ่งตัวมันเองก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเป็นภาระมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นภาระนะไปหยิบเวยขึ้นมามันก็เป็นภาระหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาแถมยังไปบีบไปเค้นมันด้วยตันหาอยู่มีทุกข์ซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกงั้นอย่าไปหลงกลนะให้รู้ลงไป รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็น จ, <players> จริงๆ shuffle. รู้ด้วยใจที่เป็นกลางบางครั้งรู้แล้วใจไม่เป็นกลางห้ามไม่ได้เพราะจิตใจก็เป็นอนัตตาเช่นพอมันเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันอยากให้หายไม่เป็นกลางก็ไม่ว่ามันนะไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางให้รู้ทันความไม่เป็นกลางนะความไม่เป็นกลางดับไปมันจะเป็นกลางข้างมันเองเราเราก็จะรู้ทุกข์ด้วยความเป็นกลาง หรือความโกรธเกิดขึ้นมามันอยากหายโกรธให้รู้ทันความอยากหายโกรธเนี่ยตัวนี้ไม่เป็นกลางพอรู้ทันนะความอยากนี่ดับไปใจเป็นกลางท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทัยใช่ไหมรู้ทุกข์ก็คือสภาวะของรูปธรรมนามธรรมปรากฏขึ้นมาให้รู้ใจเราไม่เป็นกลางมันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตัวนี้ให้ละเสียทุกข์ให้รู้สมุ ท, ทยให้ละ fight. ละความอยากที่จะแทรกแซงขันนั่นเอง นลใจก็จะเป็นกลางกับขันดูขันทํางานไปถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงเลยขันส่วนขันนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติอันหนึ่งไปรู้ขันเข้าไม่มีความเป็นตัวเป็นตนตรงไหนเลยพอวางลงไปนะมันจะวางเป็นลําดับลําดับไปขั้นแรกมันวางกายก่อนวางความยึดถือกายก่อนเพราะว่ากายนี้เป็นดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์เห็นว่ากายนี้มันทุกข์นี่ดูง่ายยึงยอมวาง เวลาเจ็บหนักๆเคยเห็นไหมตามโรงพยาบาลคนไข้เจ็บหนักนะอยากตายเมื่อไหร่จะตายโว้ยเมื่อไหร่จะตายโว้ยเห็นไหมไม่รักกายแล้วนะเพราะกายนี้ทุกอย่างนี้เห็นแต่ไม่รู้สึกว่าจิตเป็นทุกข์มองไม่เห็นนั้นการปฏิบัตินะพวกเราดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองนะมันไม่อ้ อ, อมความวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะได้โสดาบันวันใดไม่ยึดถือจิตมันนั่นแหละเป็นพระอรหันต์ แลสิ่งที่ยึดที่สุดเลยคือจิตนั่นเองงั้นเรียนรู้นะเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตนเองครูบาอาจารย์หลวงพ่อเยอะนะหลวงพ่อเริ่มต้นเลยหลวงพ่อฝึกกับท่านพ่อรีได้สมถะฝึกสมถะย2 2ปีอนาปานาสติต่อวิปัสสนาไม่เป็นท่านพ่อรีอยู่ได้2ปีก็ไม่อยู่แล้วหาครูบาอาจารย์ไม่ได้22อปีแล้วไปเจอหลวงปู่ดูล ท่านสารให้ดูจิตตัวเองอยู่กับหลวงปู่ดูลได้สองปีท่านก็ไม่อยู่ต้อไปเรียนจากหลวงปู่เทศรวมๆแล้วอาจารย์ของหลวงพ่อนะมีสี่สิบห้าสิบองค์นะเรียนไปเรื่อยนะเจอใครก็ขอฤทธความรู้เข้าไปเรื่อยนะเรียนไปเรื่อยๆไม่เหมือนหลวงพ่อมนตรีนะเรียนจากหลวงปู่ดูลแล้วหลวงปู่ดูลเดียวๆ เ, เลยนหลวงปู่เทพเคยสอรหลวงพ่อบอกว่า ผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงความเป็นกลางเงั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วใจมันไม่เป็นกลางขึ้นมานะรู้ทันไปจนมันเป็นกลางพอมันเป็นกลางเนี่ยอันนี้เป็นกลางเพราะปัญญานะต่อไปพอเป็นกลางเพราะปัญญานี่ยจิตวางรูปวางนามวางกายวางใจลงไปเห็นนิพพานนะอันนี้มันมีกลางอีกอย่างหนึ่งนะ กลางแบบสุดขีดเลยคือคราวนี้ไม่มีข้างนอกข้างในนะแต่ว่ากลางเกาไม่เชิงนะไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวรวดกันนี่ถ้าเราปฏิบัติก็ยังมีความเป็นคู่ความเป็นคู่มีสุขคู่กับทุกมีกุศลคู่กับอ ก, กุศลมีโกรธคู่กับไม่โกรธมีโลภคู่ไม่โลภมีหลงคู่กับความไม่หลงอะไรสุขคู่กับทุกอะไรอย่างเนี้ย ยังเป็นคู่คู่อยู่อใจเราไปรู้สิ่งที่เป็นคู่คู่อย่างเงี้ยใจเรามักจะยินดีบ้าง ย, ยินร้ายบ้างให้เรารู้ทันจิตใจเราไปรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วความยินดี ย, นยินร้ายใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติ ร, รู้ทันไหมมันจะเป็นกลางขึ้นมาเป็นกลางเองนะอย่าไปข่มให้เป็นกลางนะเป็นกลางทําได้หลายแบบเป็นกลางเพราะสมถะก็ได้เป็นกลางเพราะว่ามีปัญญาก็ได้มีหลายแบบ แต่ว่าต้องเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกสังขารู้เบกขายานนะัน่นเองญาณแปลว่าปัญญาตัวนี้ตัวสาคัญเลยถ้าเราภาวนาจนถึงสังขารู้เบกขายานนะี้ก้าวถัดไปนะนะั่นแหละกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าใจของเรายังไม่เป็นกลางกับสังขารนะยังไม่เกิดอริยมรรคหรอก แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ไปบังคับใจให้เป็นกลางกับสังขารกับกายกระจกับรูปกับนามนะมให้เรียนรู้ไปเรื่อยหัดรู้ไปจิตใจเกิดอะไรคอยรู้รู้ไปทุกวี่ทุกวันนะรู้แล้วไม่เป็นกลางก็รู้ทันอีกรู้ทันแล้วมันก็เป็นกลางขึ้นมาก็รู้รูป ร, รู้นามต่อไปอีกนะถึงจุดที่มันจะแตกหักขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยนะขนาดจิตใดก็ไม่รู้หรอก เพราะฉะนั้นหน้าที่เราต้องเจริญสติทุกขณะจิตนั่นแหละมีสติคอยตามรู้ไปรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างอย่าละเลยขยันดูไปเรื่อยเพราะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดไม่ได้มีเหตุล่วงหน้ามาบอกก่อนนะใจมันเป็นกลางพอดีเป๊ะรู้ลงไปด้วยความเป็นกลางแท้ๆเลยรู้รูปรู้นามด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยไม่เติมแต่งอะไรลงในการรู้เลยเกิดขึ้นช่วขณะตรงนี้เกิดขึ้นสามขณะ สองขณะบ้างนะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างใจนั้นเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งใดๆที่จะเติมลงไปเลยนะตรงนี้เรียกว่าใจมันคล้อยตามความจริงแล้วเรียกอนุลมยางมีปัญญาคล้อยตามความจริงนะความจริงก็คือรูปนามปรากฏขึ้นมาก็คล้อยตามไม่เข้าไปแทรกแซงใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยนะไม่เติมกระทั่งการเรียกชื่อ ไม่มีการเรียกชื่อด้วยไม่เติมอะไรลงในการรู้สักนิดเดียวเลยแต่ตรงนี้จิตจะทรงอยู่ในฌานโดยอัตโนมัตินะตรงนี้ตั้งแต่ะสมฌานขึ้นไปถ้าจากนั้นจิตจะตัดกระแสะการรับรู้รูปนามนี่แล้วทวนกระแสะเข้าหาธาตุรู้สิ่งที่ห่อหุ้มปกคลุมธาตุรู้อยู่ก็ถูกแวกถูกทําลายออกไปจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้าง เสร็จแล้วสิ่งที่ห่อพุ่มปิดบงังแลก็กลับเข้ามาห่อพุ่มปิดบงังจิตต่อไปอีกจิตถอยออกจากอัปนาสมาธิปุ๊บมันเข้ามาคลุมอย่างเดิมเลยจิตมันจะทบทวนตอนนี้กลับมาอยู่ในโลกปกติแล้วจิตมันจะทบทวนการพิจารณาเข้าไปว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นมันจะรู้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยกิเลสบางส่วนถูกทําลายไปละกิเลสอะไรยังเหลืออยู่งานที่ต้องทํายังมีอยู่อีก นี่มันจะเกิดสภาวะอย่างนี้นะทั้งหมด4ี่ครั้งแต่ครั้งที่สี่เนี่ยมันจะไปพิจารณานิพพานล้วนๆเลยเพราะไม่มีอะไรกิเลสอะไรจะให้พี่หน่าอีกลนะจิตใจจะเข้าถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนนะคนะําสอนของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่สุดเลยไม่เคยเห็นอะไรอัศจรรย์ขนาดนั้นมาก่อนเงินคําสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่นะยังไม่ได้สูญหายในภาคปริยัติก็ทรงเอาไว้ได้ ผู้ปฏิบัติก็ยังมีไม่ขาดสายเพียงแต่น้อยลงน้อยลงนะรูบาอาจารย์ทุกวันนี้ร้อยหลอลงไปเรื่อยๆแล้วรุ่นหลังๆเติบโตขึ้นมาไม่ค่อยทันร้อยหลอไปสิ่งยั่วยวนสิ่งหลอกลวงมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจิตใจอ่อนแอมากขึ้นมากขึ้นนั้นตัวศาสนาพุทธจริงๆยังไม่หายไปแต่เราต้องลงมือตั้งแต่วันนี้ต้องลงมือเดี๋ยวนี้ล ช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะช้ากว่านี้ไม่ทันแล้ศา ส, สนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยอีกสักกี่ปีใครจะรู้ใครจะรู้ต่อไปมันจะไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้นะงั้นพวกเราเวลาทําบุญนะอย่ากอธิษฐานอยากเจอศาสนาพุทธแล้วอธิษฐานขอให้ได้เกิดเมืองไทยอยากอธิษฐานอย่างนั้นนะถ้าอธิษฐานก็ขอให้เจอศาสนาพุทธขอให้ได้เจอสัมมาทิฏฐิถ้าจะอธิษฐาน เกิดที่ไหนก็ให้อยู่ในแวดวงของสมัมมาทิฏฐิทิฏฐานอย่างนี้อย่าอธิษฐานว่าเกิดชาติใดก็ขอให้อยู่เมืองไทยนะเพราะเมืองไทยจะมีศาสนาพุทธไม่แน่นะไม่แน่นะพวกเราชาวพุทธจริงๆนะครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อมานานแล้วยี่สิบสาสิปีมาแล้วบอกคนทั้งโลกมีหลายพันล้านคนที่รู้จักศาสนาพุทธมีนิดเดียว ชาวพุทธที่ว่ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยพวกที่สนใจเข้าวัดเข้าศึกษาธรรมะนะมีไม่มากพวกเข้าวัดก็น้อยแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าวัดก็ไม่ใช่เพื่อศึกษาธรรมะเข้าไปทำบุญบ้างไปหาหวยบ้างหวยนี่เยอะนะแต่วัดหลวงพ่อเนี่ยจะไม่มีคนมาขอหวยมันเข็ดหมดเลยมาขอหวยหลวงพ่อบอกถ้าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อจะไปซื้อเองเลยเนะออหลวงพ่อนี่ก็ยังจนๆอยู่อย่างงี้นะแสดงว่าให้หวยไม่แม่นนะ นะี่ชาวพุทธนะชาวพุทธในโลกก็มีน้อยและ้ะพวกเข้าวัดก็น้อยพวกเข้าวัดแล้วสนใจศึกษาธรรมะอย่างพวกเราเนี่น้อยมากนะไม่ถึงร้อยละหนึ่งหรอกแต่ศึกษาแล้วจะได้เรียนธรรมะของจริงนี่ยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกนะจนกระทั่งใจเข้าถึงมากถึงผล น, นี่นับตัวได้ละงั้นพวกเราแต่และคนมีความสําคัญนะพวกเร า, าศาสนาพุทธจะมาฝากไว้กับหลวงพ่อไม่ได้นะะมาฝากไว้กับพระไม่ได้นะ พระพุทธเจ้าฝากศาสนาพุทธกับพุทธบริษัทเห็นไหมเรามีบริษัทนะแต่บริษัทเราใกล้เจ๊งแล้วนะประมาทไม่ได้นะเพราะอะไรพนักงานในบริษัทเราไม่สนใจไม่สนใจกิจการของบริษัทมีพวกเราเนี่ยเสี่ยงสนใจศึกษาธรรมะใช้ได้นะดีแล้วหลวงพ่อดีใจกับพวกเราธรรมะเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ใส่ตู้ไว้ไม่ปลอดภัยนะที่ที่เหมาะสมที่จะรองรับธรรมะได้ดีที่สุดคือหัวใจของเรานี่เองนะสิ่งที่รองรับธรรมะได้ดีที่สุดคือใจของเรานี่เองงั้นศึกษาธรรมะนะจนธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราศานะ ส, สนาพุทธยังไม่สูนตราบใดที่ธรรมะยังอยู่ในใจเรา เพราะนพวกเราแต่ละคนมีความสําคัญนะศึกษาธรรมะเนี่ยนอกจากได้ประโยชน์พ้นทุกทันตาเห็นนล้วหลวงพ่อใช้คําว่าพ้นทุกข์ทันตาเห็นนะฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆสติเกิดแล้วความทุกข์มันร่วงหายไปจริงๆนะคนทําได้มีเยอะแยะไม่เพียงแต่เราได้ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเรายังได้รักษาสืบทอดาศาสนาอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนมีความสําคัญเวลานี้สังคมมันเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วมาก แต่เดิมเราเป็นสังคมเกษตรใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามาเป็นสังคมอุตสาหากรรมสังคมเมืองอะไรสภาพแวดล้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนศาสนาแต่เดิมอยู่มาอย่างสบายๆตอนนี้อยู่ได้ไม่สบายแล้วหลายคนก็พยายามอิงนะศาสนาแท้ๆอยู่ไม่ไหวก็ต้องอิงไปทํากิจกรรมสังคมสงเคราะห์บ้างอะไรบ้างก็ยังดีนะ ยิ่งพอมีที่ยืนอยู่ในสังคมบ้างไงั้ศาสนาพูดหายไปเลยนีแต่จะดีที่สุดเลยถ้าพวกเราศึกษาธรรมะจนได้ธรรมะคารวาสก็ทําได้นะหลวงพ่อยืนยันนะคารวาสก็เป็นพระอริยบุคคลได้นะไม่ใช่ว่าเฉพาะพระเท่านั้นที่เป็นได้ถ้าคารวาสคนใดไม่ละทิ้งการเจริญสติปัฏฐานการมีสติรู้กายตามความเป็นจริงมีสติรู้ใจตามความเป็นจริง มันรู้อยู่อย่างนี้หรอกวันหนึ่งจะได้เป็นพระอริยะพระอริยะเบื้องต้นพระโสดาบันพระโสดาบันคือท่านผู้ละความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเดี๋ยวเรามารู้กายเรามารู้ใจวันหนึ่งเรารู้กายกับใจนี้เรายืมโลกเข้ามาใช้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถาวร อ, อะไรเป็นของโลกยืมโลกมาใช้ใจเข้าใจความจริงตรงนี้เราไม่มีละนี่แหละพระโสดาบันนะ เป็นผู้ไม่ง่อนแง่นกรอนแคลนในาศาสนาแล้วแต่ถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยศรัทธาของเรายังเป็นศรัท ธ, ธาที่กลับกรอกได้จิตใจมันจะไม่เด็ดเดี่ยวหลวงพ่อนะโดยนิสัยหลวงพ่อนะ่ะไม่ชอบยุ่มกับใครเลยวันวันหลวงพ่อจะอยู่คนเดียวเงียบๆนี่เป็นนิสัยเลยนะแต่ทุกวันนี้ต้องฝืนใจนะมาคุยกับญาติโยมเยอะๆทุกวันเลยพระก็เยอะโยมก็เยอะนะมันฝืนธรรมดาฝืนปกติ ฝืนความเคยชินแต่มันจำเป็นต้องทำนะครูบาอาจารย์ใช้ให้ทำบอกให้มาช่วยกันหน่อยนี่พวกเราช่วยหลวงพ่อด้วยนะวิธีช่วยหลวงพ่อนะเอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วก็หัดดูจิตดูใจไปแล้ววันหนึ่งจะพบว่านั่นแหละเป็นวิธีช่วยตัวเองหลายคนมาหัดเจริญสตินะถึงคราวจำเป็นธรรมะช่วยเราได้ มีจํานวนมากเลยที่มารายงานถึงเวลาคับขันขึ้นจริงๆธรรมะช่วยได้ยังมีครอบครัวหนึ่งลูกไม่สบายหนักเลยจะอยู่จะตายก็ไม่รู้นะพ่อแม่ไปยืนเกาะเตียงร้องไห้อยู่โรงพยาบาลลูกจะตายล้วนี่คู่นี้เคยภาวนาเคยมาเรียนเนี้ยกําลังร้องไห้ร้องไห้อยู่เนี่ยหันไปมองลูกที่อยู่บนเตียงนะสติมันทันขึ้นมาสติปัญญามันทันขึ้นมาวับขึ้นมา ที่นอนอยู่บนเตียงนี้มันไม่ใช่คนหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งนะยังหายใจขม่วขมวอยู่นะวัตถุเป็นก้อนธาตุย้อนกลับมาดูตัวเองที่ยืนอยู่ขอบเตียงนี่ไอ้นี่ก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะความเศร้าโศกในใจนั้นดับลงตรงนั้นเลยเนี่ยในคราวขับขันนะธรรมะช่วยได้นะหลวงพ่อเคยเจอทีหนึ่งหลวงพ่อตอนนั้นหัดขับรถใหม่ๆขับไม่เป็นหรอก อยากไปดูนกปากห่างขับรถไปไปเจอสะพานสะพานต่างจังหวัดมันมีสะพานเล็กๆอ่ะที่ข้างบนมันแบนๆอ่ะเราไม่เคยเห็นนะสะพานชนิดนั้นในกรุงเทพไม่เห็นมีเราก็ขับมาปกตินะร้อยหนึ่งอะารเงี้ยชนขอบสะพานตึง้งลอยขึ้นกลางอากาศเลยทั้งสี่ล้อเลยหัวเรานี่กระแทกไปด่านเลยแม่ชีนั่งไปด้วยแม่ชีก็หัวโนมเหมือนกัน ตอนหัวชนเพดานนะมองลงมาเนี่เชิงสะพานฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะออกไปสักสิบเมตรเลี้ยวหักศอกอย่างนี้โอ้สติแล้วมันทำงานอัตโนมัตินะมันไม่ตกใจสักนิดเลยนะไม่มีความตกใจเกิดขึ้นเลยหลวงพ่อเหยียบเบรกเต็มเหนียวอยู่กลางอากาศเลยจนกระทั่งเครื่องมันเกือบจะดับเลยล้อมันไม่หมุนแล้วไม่มีพลังงานนะตกถึงพื้นนะก็ให้มันไหลแล้วนนี้มันไหลมันเลี้ยวไปได้นะ เยอะไเนี่ยพวกเราฝึกไปนะถึงคราวจําเป็นนะสติช่วยเราได้คนอื่นตกอกตกใจนะแต่เรามีสติมีปัญญาช่วยตัวเองได้นี่แค่อย่างลรคๆนะสติปัญญาที่ช่วยเราในทางธรรมนี่ยิ่งอศัศจรรย์ใหญ่เลยมันช่วยคนที่เคยทุกข์ให้พ้นทุกข์ได้เด็ดขาดเลยไม่ใช่ว่าพ้นทุกข์ด้วยการต้องคอยระวังรักษานะไม่มีการระวังรักษาจิตใจอีกต่อไปแล้วไม่มีงานต้องระวังรักษานะมันพ้นทุกข์จริงๆ ตราบใดที่ยังมีงานต้องระวังรักษายังไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะว่ายังมีภาระไม่เลิกแต่ว่าตอนนี้ต้องทำงานก่อนนะอย่าอยู่ๆก็ทิ้งงานไปนะนี่วันนี้พูดอย่างนี้นะส่วนวิธีปฏิบัติหลวงพ่อก็พูดไปเยอะแล้วฟังเมื่อเช้าฟังไม่ทันเอาซีดีไปฟังเอาปกติไม่มีใครสอนธรรมะแบบหลวงพ่อนะสอนอย่างนี้มันเปืองตัวนะ สอนกันถึงจิตถึงใจจริงๆถึงสภาวะธรรมจริงๆไม่มีใครเขาสอนกันหรอกหลวงพ่อก็สอนให้ฟรีด้วยนะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงอดทนบางคนมาหวังจะได้รับคำชมมาก็มีนะไปฝึก อ, อะไรมาประหลาดประหลาดหวังจะให้หลวงพ่อชมหลวงพ่อไม่ชมโมโหก็มีนะบางคนไม่มีสติมาเลยนะเราก็สงสารนะบอกคุรู้สึกตัวไว้โมโหนะระบัดหน้าใสา่พืดเลย ดิฉันไม่เคยขาดสติเลยเราก็โอ้เจอพระอาหารหันต์เขาแล้วงนะั้นเก็บเชี่ยวเก็บเล็บไว้อดทนไว้พระพุทธเจ้าถึงสอนไงเราจะกะนาบแล้วกนาบอีกทุบแล้วทุบอีกนะใครทนได้ก็ได้แก่นนะออื <S 2> <S 2> ใครทนไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้เชิญมานะก็เชิญไปเองนะเออไม่ได้ไล่ก็กลับไปแต่ถ้าทนได้นะฟังไปอดทนเถอะไม่ได้เก็บค่าฟังนะฟังแล้วฟังอีกฟังไป ฟังไปจนสติเกิดถ้าภาวนาเป็นนะจะรู้เลยคนที่มาเรียนที่นี่นะจิตใจจะสว่างสวัยแพรวแพรวไปหมดเลยบางวันพวกภาวนาดีๆมาเยอะนะวันหนึ่งบางทีมาหลายสิบคนยี่สิบสามสิบคนนะสติเกิดขึ้นมาเองเวลามารายงานปฏิบัตินะไม่ได้มารายงานนะว่าไปเดินท่านั้นนั่งท่านี้เอาจิตไปวางตรงนั้นไมมารายงานอย่างนั้นเลย เวลามารายงานการปฏิบัติที่วัดลองพ่อเนะี่ยก็จะบอกว่าหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันรู้สึกตัวทั้งวันจิตใจขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวมันเห็นเองและจิตใจที่ไปรู้กายจิตใจที่ไปรู้ใจมีความสงบมีความสุขมีความตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะีเขารายงานกันอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะขอให้สติตัวจริงเกิดขึ้นให้ได้เท่านั้น สติที่พวกเราฝึกกันมาส่วนมากสติปลอมๆสติเพง่งสติบังคับสติกำหนดหนึ่งแลสติปลอมๆนะสติจริงๆคือความระลึกได้มันระลึกขึ้นเองร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้สึกขึ้นเองจิตใจเคลื่อนไหวมันรู้สึกขึ้นได้เองนี่ระลึกขึ้นได้เองเพราะอะไรเพราะจำสภาวะได้ทำไมจำได้ฟังบ่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆแล้วหัดสังเกตสภาวะไปหรือตกข้ามก็ทำในรูปแบบบ้างแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไป ไม่นานถ้าเรียนอย่างที่หลวงพ่อบอกนะใช้เวลาไม่นานหรอกจิตใจจะเปลี่ยนแปลงให้ดูเลยจากพวกหน้ามืดๆนะจะหน้าใสๆอย่างหนุ่มนี้หน้ามืดมานานนะหนุ่มคนแรกเนี้ยตอนนี้หน้าใสาแล้วเนี้ยเอาหันหน้าไปโชว์หน่อยนะอ้าหันไปโชว์หน่อยไม่กล้าซะอีกแล้วนะมีเยอะแยะนะมีเยอะใจมันตื่นขึ้นมานะหน้าตาเปลี่ยนไปเลย คนในโลกหน้าดำดำมืดมืดห ม, มมหมทาแป้งเข้าไปนะมันก็เหมือนเอาอะไรไปเคลือบเคลือบไว้เคลือบของสกปร ก, กไว้ภาวนาไปจิตใจตื่นขึ้นมานะมันผ่องออกมาจากข้างในนะตัวอาจจะดำปีเลยนะแต่ว่ามันมีความผ่องใสมีรัศมีออกมาจากข้างในมีความผ่องมีความเยือกเย็นแผ่ซ่านออกมาทุกขุมทุกผลใครเข้าใกล้ก็มีความสุข ไม่ต้องทําเสน่ห์นะมีเสน่ห์เองนะสังเกตไหมครูบาอาจารย์หลายองค์นะองค์ยิ่งองไหนเจริญเมตตามากๆควรไปนั่งเฝ้าได้ทั้งวันนะเป็นนั่งแล้วก็น้ําหูน้ําตาไหลปลื่มอยู่งนะั้แหละแต่วัดหลวงพ่อไม่ได้นะเคยมีเหมือนกันพวกมาปลื้มน้ําหูน้ําตาไหลนะไหลครั้งแรกไม่ว่านะครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยไม่ปล่อยไว้ล้วทาไมชาตินี้จะเอาแค่นี้เหรอือ ต้องเอาสติต้องเอาปัญญาให้ได้เอาความพ้นทุกข์ให้ได้มันพ้นได้จริงๆนะมันพ้นทุกข์ต่อหน้าตา่อ ต, ตานี้จริงๆไม่ใช่คําโฆษณาชวนเชื่องั้นทนนะทนฟังไปไม่เรียกร้องอะไรเลยเรียกร้องอย่างเดียวว่าอดทนไว้สังเกตไหมจิตใจพวกเราจํานวนมากตื่นตัวรู้สึกไหมจิตใจมีความตื่นตัวสังเกตไหมความตื่นตัวเริ่มรี่ลงไปแล้วเริ่มซึมลงไปแล้ว สังเกตให้ดีนะนี่หลวงพ่อพูดภาพรวมนะั่นไล่ทีละคนไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ชายเสื้อเหลืองนั้นใจลอยไปแล้วทราบไหมแอบไปคิดล่นะเราไปรู้เรื่องที่คิดขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทํามิปัสนาแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจไหลไปคิดนะใ ห, นนให้รู้ทันมันให้รู้ทันว่าใจมันไหลไปคิด เนี่ยมันไปอีกแล้วทราบไหมเนี่ยไปอย่างเนี้ยมันไปอย่างเนี้ยให้ขัดดูนะหลวงพ่อไม่สามารถหัดให้ทุกคนแล้วตอนนี้นะอดทนนิดหนึ่งนะค่อยๆฟังไปไปอีกแล้วทราบไหมเบอร์สามะเบอร์สาอะเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมดูออกหรือยังแวบบ็แบบแวบบ็บแวบถ้าคุณเห็นตรงนี้นะคุณรู้อยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หนีไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หนีไปฝึกแค่นี้พอละ ลืมคำว่ากรรมฐานซะแล้วใจไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปคิดรู้ทันไม่ห้ามนะแค่รู้ทันพอรู้มากๆเนี่ยสภาวะธรรมจะเหลือสองอย่างจิตที่เผลอไปคิดกับจิตที่รู้สึกตัวมีสองอันเรียนคู่เดียวพอละเวลาเราเรียนกรรมฐานเราไม่ได้เรียนเยอะแยะแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมีมากแต่ธรรมะสาหรับคนคนหนึ่งไม่มากหรอกที่ท่านสอนไม่เยอะเพราะคนมันเยอะ อย่างถ้าคุณเห็นจิตคู่เดียวจิตที่หลงไปคิดกับจิตรู้สึกตัวเห็นคู่เดียวแค่นี้พอละจิตที่หลงไปคิดเนี่ยเป็นตัวแทนของอากุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของกุศลจิตมีตัวแทนเรียนแบบสุ่มตัวอย่างแบบนักวิจัยศาสนาพุทธเรียนกรรมฐานแบบการวิจัยนะเขาเรียกว่าธทำมาวิจัยวิจัยธรรมะภาษาชาวพุทธมีมาก่อนฝรั่งนะงานรีเซิร์ชเนี่ยเราทํามาก่อน เราวิจัยธรรมะด้วยการสุ่มตัวอย่างมาอย่างจิตใจจิตใจมีทั้งเยอะแยะมี89สชนิดเราเรียนสองอย่างพอจิตที่เผลอไปคิดกับจิตรู้สึกตัวคู่เดียวก็พอศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างเรียนถ้าสุ่มตัวอย่างทางจิตก็เรียกว่าศึกษาแบบรู้จิตในจิตจิตในจิตหมายถึงเราเรียนจิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเราเข้าใจจิตทั้งหมดกายในกายเราเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจกายได้ทั้งหมด ว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตคือการเรียนอย่างสุ่มตัวอย่างนั่นเองจิตที่เผลอไปเป็นอกุศลเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของกุศลไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาจิตที่รู้สึกตัวไม่ใช่ฝึกเพื่อจะต่อต้านจิตที่เผลอไปคิดแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงเลยจิตจะคิดห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ คุณรู้สึกไหมตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วเบอร์3านึกออกไหมมันไปเองนึกออกไหมห้ามมันไม่ได้มันทํางานของมันได้เองในการที่เราเห็นเลยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือเห็นอนิจจังเราเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่เห็นอนัตตานะถ้าเราเห็นกายเห็นจิตลงเป็นไตรลักษณ์แล้วก็ใช้ได้ละโดยเฉพาะถ้าเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นะใกล้กับมรรคนิพพานแนละ้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเบอร์3ม ยังคิดไม่เลิอกอ่ะทราบไหมยังเสียดายอยู่นะเข้าใจยังหัดดูอย่างนี้นะเอาเบอร์หกสิบอะไรที่ผมบังไว้หกสิบเท่าไหร่เบอร์หกสิบห้าส่งกันบ้านไมโครโฟนอยู่ไหนนั่นอยู่ข้างหลังนะข้างหลังส่งมากราบนวะัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ยังยังยังเพ่งอยู่เยอะแล้วก็ ยังบังคับตัวเองมากแล้วก็ยังปรุงแต่งขันอยู่มากเจ้าค่ะดีแล้วนะไม่ใช่ดีที่บังคับดีที่ปรุงแต่งนะดีที่รู้ว่าบังคับดีที่รู้ว่าปรุงแต่งของคุณรู้ได้ถูกต้องแล้วรู้สึกไหมจิตใจไม่เหมือนคนเดิมแล้วจิตใจมันตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมมันจะมีความตื่นจิตมีปีติทราบไหม จิตมีปีติให้รู้ว่ามีปีติะจิตเป็นยังไงรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเบอร์หกสิบหกเพิ่งเคยมาครับหลวงพ่อครับครั้งแรกก็ไม่เคยปฏิบัติพวกไม่เคยปฏิบัตินะเรียนง่ายนะเพราะพวกไม่เคยปฏิบัติหลงผิดผิดด้วยการหลงอย่างเดียวแต่พวกเคยปฏิบัติอย่างนี้ต้องแก้กันหลายแหลมปีเลยบางคนโดยเฉ่าติดเพ่งของคุณเพ่งแล้วนะ ใจทื่อๆไปแล้วมันหลงไปอ่ะแล้วมันก็ไปทื่อๆค้างไว้งนั้นอ่ะเบอร์หกสิบหกเมื่อกี้นี้ใจลอยทราบไหมเมื่อกี้นี้เผลอไปคิดแวบหนึ่งอ่ะค่อยๆหัดนะค่อยๆฟังไปกีตาร์อะไรส่งไปข้างหลังมก็รู้สึกว่ารู้ตัวมากขึ้นนะคะหลวงพ่อแต่ยังติดปัญหาคือเวลาง่วงอะค่ะมันรู้สึกมัน เวลาน่วงก็นอนเวลาหิวก็กินนะแต่ว่าระหว่างกินรู้สึกตัวถ้านอนจะให้หลับนะก็ไม่ต้องรู้สึกตัวหลับไปเลยตื่นขึ้นเมื่อไรรู้สึกตัวเมื่อนั้นนะี่กรรมฐานของหลวงพ่อนะแปลกไม่บังคับหรอกอยากกินก็ให้กินนะอยากนอนก็ให้นอนแต่ให้มีสติแต่ตอนนอนหลับไม่มีสตินะ ให้มันหลงพักไปพอพักเต็มที่พอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บมีสติเลยไม่เว้นมักเลยมันง่วงมากก็ไปเดินเดินจงกรมแต่บางช่วงนะถึงเดินจงกรมมันก็หลับหลวงพ่อเคยเป็นนะมีช่วงหนึ่งเดินจงกรมอยู่อย่างเดินหลับเลยนั่งขัดสมาธิเพชร น, นะขัดสมาธิเพชรเจ็บที่สุดเลยนะก็ยังอุตส่าห์หลับได้อีกเออ โอ้รู้สึกยุ่งมากเลยทําไมมันหลับได้เป็นเดือนเลยภาวนาแล้วก็หลับภาวนาแล้วก็หลับเลยไม่เคยพบเคยเห็นรีบไปหาหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรอ่าไปถามท่านว่าจะทํายังไงดีแนละ้ท่านบอกจะสงสัยอะไร อ, อย่าสงสัยเลยอย่างนี้แล้วก็ทําไปจิตนะมันเป็นเรื่องประหลาด บางช่วงเนี่ยมันต้องการรวมกําลังก่อนก่อนที่จะทําสงครามแตกหักจะรวมมันจะรวมอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยนะนั่งภาวนาเหมือนหัวซุกหัวซุนอยู่อย่างนั้นเลยแต่ถ้าแบบขี้เกียจขี้คลานแล้วหัวซุกหัวซุนไม่ได้นะทนละเรื่องกันเดี๋ยวจะมาบอก ang ang นั่งอย่างนี้หลวงพ่อประโมทส่งเสริม <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้นะนั่งเหมือนวัวเหมือนควายแนละ้วปิดไปเรื่อยอย่างเงี้ย <c oughs> <ๆ>ต้องรู้สึกตัวรู้สึกใจ สมยศเป็นไงสมยศกีต้าช่วยส่งไปทางนั้นเนีนเบอร์ห้าห้ามัสการหลวงพ่อครับจิตไม่เป็นกลางเท่าไหร่ครับเออดีที่เห็นนะจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรนะอย่าปรุงแต่งจิตจิตมันปรุงแต่งมันเดี๋ยวมันก็ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลอกุศลไม่เป็นไรหน้าที่ของมันมันมันมีหน้าที่ปรุงแต่งให้มันปรุงไปแต่เราอย่าไปปรุงแต่งมัน ให้รู้ทันไปทำไมล่ะทาไมใจเกิดไม่เป็นกลางกับมันมันมันมันเป็นอาการของมันเองมันมันมันเกิดรักกุศลเกลียดกุศลยศไม่ต้องพนมมือเฉียนศพูดไม่จ่อปากเลยครับมันมันเป็นของมันเองครับมันเกิดการรักกุศลและเกลียดอกุศลอย่างรุนแรงครับเออให้รู้ทันนะการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอันหนึ่งเกลียดอีกอันหนึ่ง ไม่ได้เอากุศลเกลียดอกุศลไม่ได้เอาสุขเกลียดทุกข์ไม่ใช่เอาความรู้สึกตัวเกลียดความเผลอ<ม>สภาวะทั้งหมดเสมอภาคกันหมดเลยเพราะแสดงไตรลักษณ์ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นอย่างจิตจะเผลอไม่ห้ามนะคุณเสื้อเหลืองจิตจะเผลอก็จิตก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเรียกว่าอากุศลจิตจะรู้สึกตัวก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเรียกว่ากุศลทั้งกุศลทั้งอกุศลไม่เที่ยงไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้รู้สึกตัวตลอดเวลานะแต่ฝึกเพื่อจะเห็นเลย ทั้งหมดนี้เกิดดับนี่สมยศอย่าไปเล่าร้อนใจเวลาบางช่วงสติปัญญาอ่อนกําลังลงแล้วเราตกใจนะเราตกใจเราดิ้นนะยิ่งดิ้นยิ่ ง, งเนิ่นช้าสมยศรู้สึกไหมตอนนี้ใจก็มีแรงขึ้นมาเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยนะรู้สึกไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปดัดแปลงมันนะหนีไปคิดทราบไหมสมยศทราบครั บ, ร, บรู้ทันเรื่อยๆ ใจฟุ้งซ่านแล้วทราบไหมทราบครับเออเนี่ยฟุ้งซ่านรู้ทันเลยว่าฟุ้งซ่านเนี่ยหนีแว บ, บไปรู้สึกไหมครับเนี่ยหัดรู้รู้ลงไปเลื่อยรู้ไปลงปัจจุบันนะเดี๋ยวค่อยมันค่อยมีแรงขึ้นมาเองนี่เป็นวิธีขี้โกงคือหลวงพ่อไล่ให้เนี๋ยวใจมันก็จะตั้งมีแรงขึ้นมาคุณเสื้อเหลืองหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมยังไม่เลิอกอะ่ะทราบไหมยังเสียดายอยู่ อย่ากลัวโง่นะเร Finanz, form, ยียนธรรมะไม่ต้องรู้อะไรหรอกรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็ได้หนี uh, well. ไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่ยอมเลิกกันรู้ไหมอ้าคนที่เลี้ยงเด็กเนี่ยว่าไงมีอะไรจะส่งกันบ้านไหมเอออ่าเดี๋ยวรับไหม่เลยก็จะรู้สึกว่าตอนระหว่างวันจะเผลอบ่อยค่ะจะจะรู้สึก ทีก็มักจะเย็นเลิกงานแล้วเล้เอเอไ ม, ไม่ดีนะอย่างงั้น <c oughs> อย่างนั้นไม่เรียกเผลอบ่อยอย่างนั้นเรียกว่าเผล อ, อนาน <c oughs> ถ้าเผลอบ่อยดีนะแต่ก็เผลอแล่ากรู้สึกแวกรู้สึกแต่ตอนระหว่างทำสมาธิวิปัสสนาจะรู้สึกว่าเพ่งเป็นบางช่วงค่ะจะมีเมื่อยเป็นบางจุดแต่ก็พยายามปล่อยวางแล้วลองมองไปที่ตรงเมื่อยแล้วสักพักมันก็จะหายแต่ก็จะทาอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆได้ขอให้รู้ทันท่าเลย กรรมฐานอะไรไม่สําคัญหรอกขอให้รู้ทันเท่านั้นแหละรู้ทันกายรู้ทันใจลงเป็นปัจจุบันกรรมฐานอะไรก็ไม่มีความหมายอะไรใช้ได้อาจารย์วัฒนาส่งไปข้างหลังหน่อยวัฒนามาหลายวันแล้วอมาตการพรักหลวงพ่อครับวันนี้ผมจะลากลับแล้วครับมาอยู่ครบเจ็ดวันครับคราวก่อนายงานหลวงพ่อว่ามีเหมือนโอปปปาทิกะเข้ามาสัมผัส เมื่อเช้านีเพิ่งเจอว่าเวลาเดินบินทบาทด้วยกันพบหลวงพ่อท่านองค์หนึ่งท่านเล่นวิชาอาคมอยู่ครับในในช่วงที่โยมอยู่บนลานจงกรมเนี่ยจะพบว่าบางทีมีสัมผัสมาปแปลกๆเราเราก็ทราบว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่ทีนี้เมื่อเมื่อเราระลึกรู้อยู่ทีๆเราจะพบว่าไม่มีอะไรแปลกปลอมมา แต่เวลาเราลงนอนเวลาเราดึงพ่อห่มลงมาแล้วเราเองตัวลงนอนตรงนี้ครับเราก็จะพบทันทีว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่ได้อ่จะทำอะไรแต่คล้ายๆกับว่าเวลาเราเผลอตัวนั้นมันมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาปุ๊บมันจะมีสภาวะที่ออกเข้าไปอ่าจะว่าประจันหน้าหรือว่าจะไปปกป้องอนะไรอย่างนั้ น, นครับแต่ที่อยากจะถามหลวงพ่อคือว่า เรามีข้อสังเกตได้อย่างไรว่าไอ้ไอ้สิ่งแปลกปลอมตัวเนี้อันไหนคือสิ่งปรุงแต่งของเราอันไหนคือคื อ, อ, อ จ, จ, จิตวิญญาณหรืออันไหนคือวิ ช, ชาที่เดรลฉาวิ ช, ช า, า, าก็ทํามาเงี้ยครับารย้อนมาดูจิตตัวเองนะถ้าถ้าเราย้อนกลับมาดูจิตตัวเองเนะี่ยแล้วถ้าเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมันจะดับหมดเลยพอเราย้อนกลับออกไปดูข้างนอกจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นของปลอมเอ้เป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาเนะี่ย เราย้อนกลับมาดูของเราใจเราเคลียร์หมดแล้วนะย้อนออกไปดูเจอนะเอออันนี้ของที่มันมาจริงๆนะย้อนกลับมาที่จิตนะความจริงไม่อยากให้รายงานเรื่องพวกนี้เดี๋ยวญาิหยจะกี่ยวผีนะแต่ฟังไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะหลายคนชอบไปคิดเอาเองว่าผีไม่มีที่ผีไม่มีเพราะไม่เคยเห็นก็คงคล้ายๆ ค, ยคนโบราณนะไม่เชื่ออะไรที่นักวิทยาศาสต ร, ร, ร์ค้นพบทุกวันนี้ ใครจะเชื่อนะว่าเอาโลหะมาทำให้กายเป็นพลังงานได้คนโบราณก็ไม่เชื่ อ, อที่อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยอธิบายนิดนึงก็คือตอนเมื่อเช้านี้พี่ๆข้างหน้าเขาบอกบอกว่าเห็นว่าขันมันมันแยกออกไปหรือหลวงพ่อบอกว่าขันแยกออกไปตอนที่โยมเดินดูอยู่นั้นพะว่าจะว่าขันมันแยกออกไปก็ไม่เชิงเพราะว่า ไอ้ที่รู้นั้นจิตมันไปรับรู้อตัวโน้นบ้างตัวนี้บ้างอย่างนี้ครับ ม, มันเลยว่าเหมือนกับว่าหันแล้วมันแยกออกไปใช่ใชก็ถูกแล้วเพราจริงๆมันก็อยู่อย่างนี้แหละแต่สติระลึกรู้รูปใช่ไหมเห็นรูปรอยู่ต่งางหากเวทนาความจริงก็ซ้อนอยู่กับรูปเพอสติไประลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาต่งางหากจากรูปอยนี้ก็ถูกและเมื่อเช้านึกว่าอาจารย์พูดเรื่องจิตฟุ้งซ่านอันนั้นไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านนะ จิตรู้รูปจิตรู้เวทนาจิตรู้อะไมันรู้ได้ครั้งละอย่างเดียวอยู่แล้วโดยธรรมดาของมันมั น, น, นก็เห็นอย่างนั้นแหละมันจะเห็นว่าทีแรกมันจะเห็นเป็นคู่ๆนะกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเวทนาอหนึ่งจิตอันหนึ่งจะแยกนีแต่อไปมันก็จําได้ว่ากายกับเวทนามันก็โคนละอันกันบางทีจิตก็ระลึกรู้กายบางทีจิตก็ระลึกรู้เวทนาบางทีก็ระลึกรู้สังขารบางทีระลึกรู้จิตอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านนะ มี ม, มีตรงจุดที่เรารู้บ่อยๆนะครับอาจารย์ครับในในขณะที่จิตไปรู้คล้ายๆกับว่ามันเป็นสภาวะว่างอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากที่จิตถอยออกจากตรงนั้นมาเราจะพบว่าจิตะจะพยายามหาคําพูดหาคําอธิบายตรงนั้นคล้ายๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทําไมจิตจึงชอบทํามีวิถีจิตแบบนี้นอกจากจะอธิบายได้แล้วชอบจะยกตัวอย่างเป็นสองอย่างสามอย่างสังเกตอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าจะจะให้มันรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวจะรู้สึกว่ามันอึดอัดขัดเคืองหรือมมันมันทำไม่ได้มันเป็นนิสัยนิสัยคนที่จะเรียนไปเป็นครูเขานะมันไปรู้สภาวะแล้วมันอดที่จะศึกษาวิเคราะห์ไม่ได้ตัวเนี้ยที่ทําให้ช้าคนอื่นเขารู้แล้วเขาวางไปแล้ว ก็เราไปรู้อะไรแปลกๆนะ ค, คล้ายครวญอยู่นั่นแหละพิจารณาอยู่งั้นถ้ายังไม่แจ่มแจ้งว่ามันคืออะไรเป็นอะไรมันทําหน้าที่อะไรแล้วนะมันเกิดมาได้ยังไงเลยไม่เลิกจะค้นคว้าอยู่อย่างนั้นระดับใดที่ยังไม่รู้เขาเรียกลักษณะที่จตุกะลักษณะสี่อย่างของมันนะของสภาวะแต่ละอันแต่ละอันที่ไปเหต็นจะไม่ยอมเลิกจะค้นคว้าอยู่อย่างนั้นแหละเป็นนิสัยคน อย่างเวลาเราไปเห็นสภาวะหนึ่งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ว่าไอ้ น, นี่คืออะไรตัวมันคืออะไรตัวมันมีลักษณะอย่างไงที่แตกต่างจากสิ่งอื่นอย่างไรง่อ้ น, นี่เรียกว่าไปเรียนถึงตัววิเศษลักษณะของมันลักษณะเฉพาะตัวของมันมันคืออะไรนะไอ้ น, นี่แล้วก็พยายามหาชื่อมาใส่นะถ้ายังหาชื่อมาใส่ไม่ได้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่รู้จะสรุปองค์ความรู้ได้ยังไงกลัวว่าจะไม่มีความรู้ เสร็จล้วก็จะมาดูว่า้มันมามันทําหน้าที่อะไรมันทํางานยังไงพอมันทํางานแล้วมีผลยังไงนสุดท้ายก็ต้องมาดูว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสภาวะนั้นพอรู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงนะสบายใจแล้วอะไรยอมวางเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอสภาวะใหม่ก็จะไปค้นคนว้าลักษณะที่จตุ ก, กะของมันใหม่ตมาก็เป็นก่อนเจออะไรไม่ได้นะไม่ปล่อยเลยนะค้นอยู่งั้นแหละเรียนแล้วเรียนอีกนะ งั้นเป็นคนที่ลองผิดลองถูกเยอะถามว่าหลวงพ่อภาวนาเก่งหรือเปล่าไม่ใช่ภาวนาเก่งนะภาวนาแบบไม่เอาไหนที่สุดเลยกิเลสอะไรหน้าตายางไงนะใครเขาปฏิบัติผิดยังไงนะกเคยผิดมาแล้วแทบทั้งนั้นน่ะมันลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนิสัยเปนเป็นอย่างนั้นอาจารย์วัฒ น, นาก็อย่าไปบังคับนะมันบังคับแรงไปนิดนึงมันเกินธรรมดานิดนึงมันแข็งไปนิดนึงดูออกไหมต้องสบาย ส่วนองค์ที่เล่นศิลศาสตร์ก็ช่างท่านหน้าอย่าชวนมานี่นะ <c oughs> ที่เกียร <c oughs> ติยุ่งหลวงพ่อบวชทางสุรินมาก่อนไปภาวนาก็อยู่ทางสุรินนะทางโน้นก็เล่นกันเยอะทั้ทงพระทั้งโยมชอบเล่นมันไม่ใช่เรื่องหลอกๆเลยนะไม่ใช่นิยายนะ <c oughs> เล่นอะไรกันแปลกๆเป็นเรื่องของพลังงานของจิต บางทีก็ใช้พลังงานจิตของตัวเองนี่ใช้พลังงานของผีอย่างนึกว่าผีไม่มีนะใครนึกว่าผีไม่มีวันหลังถ้ามีคุณสมบัติพอมาอยู่วัดหลวงพ่อดูบ้างมันเลื่อนตู้ให้ดูก็ได้ลากตู้อี้ให้ก็ได้เวลาใจลอยมันข้อหน้าต่างข้อจากข้างในนะไม่ใช่ข้อจากข้างนอกมันน่ากลัวตรงนี้แหละมันอยู่ในห้อง ข, อ, ขออยู่ข้างในคนไหนขาดสตินะ ตอนที่เคลิบิบบีบคอเลยก็มีนะเห็นโล่งๆอย่างนี้พูดอย่างนี้พวกอินทรีย์อ่อนๆจะได้ยังไม่ขอเพราะงั้นเดี๋ยวคิวยาวเกินไปทานอาจารหลวงพ่อนะคะชือหนูมีคำถามประมาณสองคำถามคำถามแรกคืออย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติตามรูปแบบอย่างนี้ค่ะคือหนูก็เคยเรียนมาทั้งฝึกลมหายใจแล้วก็พองยุบคราวนี้พอเวลาเราทาเนี่ย ทีนี้เดินจงกรมได้ค่ะบางท่านก็บอกว่าให้เดินช้าๆแต่บางที่ก็บอกให้เดินเร็วๆทีนี้พอหนูปฏิบัติหนูก็เลยกลับมาบ้านก็เลยแล้วเราจะเดินเร็วหรือเดินช้าดีเร็วแล้วนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็รู้ลมหายใจเดี๋ยวก็รู้ท้องก็เลยไม่รู้ว่าคราวนี้จะรู้ตรงไหนดีอค่ะรู้ตรงนี้สิรู้ว่าจิตไปรู้ลมหายใจรู้ว่าจิตหนีไปรู้ท้องรู้ว่าจิตหนีวิคิดไหมรู้ที่เดียวคือที่จิต นอกนั้นเป็นแค่อาการเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้รู้อย่างนี้เรื่อยๆส่วนถามวนะ่าเดินจงกรมท่าไหนดีนะพ่อแม่พาเดินมาไงก็เดินงี้แหละนะอย่าให้หกล้มไปก็แล้วกั น, นพยายัมบางคนพยายามเดินให้ช้ามากๆนะบังว่าถ้าเดินช้าๆแล้วสติจะทันไม่ทันหรอกถึงเราเดินช้าแต่กิเลสไม่ช้าด้วยนะ หน้าที่เราไม่ใช่เป็นหนวงอารมณ์ให้ช้าลงหน้าที่เราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นงั้นเร็วเร็วมากขึ้นมากขึ้นจนใจไหวแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยแต่ว่าเบื้องต้นคนไหนถนัดจะเดินช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความถนัดนะบางคนเดินช้าๆแล้วสบายใจก็เดินช้าๆไปแต่เดินช้าๆแล้วอย่าไปเพ่งอยู่ที่เท้าถ้าเดินช้าๆแล้วไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็ได้สมถะ ถ้าเดินช้าๆไปเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอย่างนี้ใช้ได้หรือเดินไปช้าๆใจหนีไปคิดแล้วก็รู้ใจไหลลงไปหยด่เพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้รู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้รู้ใจก็คือใจมันแอบไปทำอะไรก็คอยรู้ทันมันรู้กายก็คือเห็นว่ากายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าต้องมีจิตไปรู้เข้านะ หลายคนที่ดูกายแล้วพลาดจะเป็นการการเพ่งกายทั้งหมดเลยรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ามันเพ่งคือใจมันไหลเข้าไปรวมอยู่ในกายหน้าที่ของเราจุดแรกก่อนที่จะรู้กายได้เนี่ยต้องแยกกายกับจิตออกจากกันซะก่อนแยกรูปกับนามให้ได้ซะก่อนเรียกว่านามรูปอริเฉทญาณร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูต้องแยกอย่างนี้นะ แล้วจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยไม่ใช่เดินเอาใจเข้าไปแนบอยู่ที่กายนะนั่นคือการเพ่งกายเดินไปมากๆเกิดปิติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบ า, ต, เบาตัวโครงเราไปนึกว่าวิปัสสนาญาณ น, นั้นไม่ใช่ญาณ น, นั่นเป็นอาการของสมถะอาการของปีตินะังั้นใจต้องตั้งมั่นอยู่ต่างหากเห็นกายนี้เดินไปอย่างนี้ใช้ได้ดังั้นการจะดู ก, กายเนี่ยจิตต้องตั้งมั่น กายานุปัสสนาถึงเหมาะกับคนเล่นฉานเหมาะกับสมถียานิสไม่ใช่หมาะกับคนที่จิตไม่มีกําลังนะการดูกายดูยากนะถ้าจิตไม่มีกําลังของสมาธิหนุนหลังเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปรวมกับกายส่วนจิตนี่ดูง่ายเราก็ชอบคิดว่าจิตดูยากให้เราใครรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเด็กมันก็รู้นะแต่และ ว, วันความรู้สึกเป็นยังไงเด็กๆมันก็รู้เนี่ยตรงนี้มีเด็กสองคนคนไหนกล้าคุยกับหลวงพ่อบ้างไหมมีไหม คนนี้กล้าไหมไม่กล้านะวันนี้ไม่มีอาสาสมัครแค่มีอาสาสมัครเด็กนะบางวันผู้ใหญ่สั่นเลยนะเด็กบางคนมันพูดอะมันพูดสภาวะนะชอชอชอชอพูดด้วยภาษาของมันเองนะแต่หน้าฟังมากเลยมันบอกว่ามันเห็นจิตของมันมีสองสามแบบนะอันนึงเผลอไปเลยหลงไปเลยเนี่ยหลงแบบโง่โง่อยอนหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาอีออันหนึ่งคือมันไปเพ่งไว แล้วมันก็วิจัยการเพ่งให้ฟังนะการเพ่งเนี่ยคือการการเผลอแบบมีปัญญาจะ <c oughs> ไม่เผลอโง่โนะ <c oughs> ง่นะเผลอโง่โงนี่หลงไปเลยจะเพ่งไว้เนี่ยเผลอแบบมีปัญญาถูกการอภิธรรมเป๊ะเลยนะ <c oughs> เพราจิต ท, ที่ไปเพ่งนะเป็นกุศลนะอมีปัญญาเหมือนกันแหละแต่เป็นปัญญาในขั้นโลกยะปัญญาขั้นสมถติหลวงพ่อครับเวลาที่ปฏิบัตินะครับ บางบางครั้งมันมันจะโล่โงๆโปรง่งๆสบายๆแต่บางครั้งมันจะทึบๆตึงๆ ต, ตื้อๆเพราคุณดูไปเรื่อยๆให้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ประเด็นหลักที่ฝากให้คุณพิจนานะตัวที่ยังเป็นปัญหาหลักของคุณตอนนี้คือการควบคุมตัวเองคุณยังบังคับตัวเองเยอะไปไม่ได้ปล่อยให้กายทำงานไม่ได้ปล่อยให้ใจทำงานจริงๆยังบังคับมากไปใจจะตั้งมั่นมากไปนิดนึง ในในช่วงปฏิบัติก็เหมือนกันใช่ไหมครับอะไรนะในช่วงที่ที่กร ร, ร, รมฐานก็เหมือนกันนะครับมันติดสมถะมันเป็นผลจากการที่เราทิดสมถะติดสมถะแล้วมันเลยค้างออกมาข้างนอกนี้ครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้เคยฝึกแต่สมถะอย่างเดียวครับอืแล้วมันติดมาจากสมถะแต่ว่าของเก่าไม่ได้เสียนะมันทําให้เรามีกําลังที่จะดูสภาวะได้ง่ายเพองแต่ว่าเราต้องปล่อยให้มันเคลื่อนไหวได้จริงจรอย่าไปตรึงความรู้สึกให้คงที่ไว้ ยังบังคับมันอยู่อย่างช่วงเวลาที่ปฏิบัติช่วงแรกๆจะดูลมดูลมหายใจใช่ไหมครับคืออั้นเป็นสมถะเป็นสมถะครับออพอไปปริยะตหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกว่าละคือไม่ได้ไปเพ่งที่ที่ลมหายใจมันก็จะเริ่มมีมีมีนิมิตขึ้นมาเออมันก็จะไปติดที่นิมิตอีกอ่าไม่ไปดูนิมิตครับจากนิมิต<อ>เรียกเข้าฌานจากนิมิตบางทีก็บางครั้งก็จะไปติดอยู่ที่นิมิต บางครั้งมันก็จะมีเริ่มมาดูดูดูเริ่มเหมือนก็นจะมีสติเริ่มจะเห็น<ม>เห็นจิตบ้างแต่ว่าพอมันมีเอ่อเริ่มเริ่มจะเห็นน่ยมันจะมีบางครั้งมันก็มีความเรื่องมั น, ม, นมันเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะจะหยุดมันหรือว่าจะปล่อยให้มันไปอย่าอย่าให้ลืมตัวไปก็แล้วกันนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมตัวรู้สึกตัวไว้ไม่ตามนิมิตไปนะครับรู้สึกตัวไว้แต่ว่าตอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ย ต้องปล่อยให้หมดนะมันจะมีความนิ่งคงที่อยู่อันหนึ่งคุณรู้สึกไหมจิตใจของคุณขนาด น, นี้กับจิตใจตอนเด็กๆที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันนึกออกไหมมันมีส่วนเกินที่เราสร้างขึ้นมางั้นปล่อยทิ้งไปจิตใจที่เหมาะกับการเรียนกรรมฐานที่สุดนะคือจิตแบบเด็กๆจิตซื่อๆเนี่ยเมื่อกี้หลุดออกมาตอนที่หัวละรู้สึกไหมครับหลุดออกมาอย่าไปติดอยู่ข้างในอย่างนั้น ตัวนั้นกวางกั้นไม่ให้มันเกิดปัญญาตัวจริงตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมทราบครับคุณนึกถึงความรู้สึกตอนก่อนที่จะหัดปฏิบัติได้ไหมความรู้สึกของเราตอนเป็นเด็กๆอะไรเนี่ยใจแบบเด็กๆอ่ะครับใจที่ว่าได้ของชอบใจมาก็ดีใจหัวเรานะเจอของไม่ชอบใจก็โมโหหรือร้องไห้เสียใจความรู้สึกที่ซื่อๆรู้ไปอย่างซื่อๆเลยนะสวมหัวใจเด็กไว้นะแล้วภาวนาง่าย ถ้าสวมหัวใจนักปฏิบัติภาวนาลำบากพ่าเด็กเนี่ยเป็นมันมีธรรมชาติที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วมากเลยว่าเด็กไม่ติดของเก่าดันั้นเรียนของใหม่ได้ง่ายอือบางครั้งเวลาเวลากรรมฐานไม่รู้ว่าจะจะไปตามนิมิตไปเพื่อเป็นสมถะหรือว่าไม่ตามาไม่ตามนิมิตนะอย่าตามนิมิตไปให้ย้อนมาดูจิตของเราเองครับไม่ว่านิมิตอะไรเกิดขึ้นนะย้อนมาดูใจเราไว้ เช่นพอมีนิมิตเดีารูว้ว่าเป็นสว่างขึ้นมาใจเราเกิดยินดีให้รู้ว่ายินดีใจเราไหลาตามไปให้รู้ว่าใจไหลาตามไปครับคือบางทีไม่ไ ม, ไม่ไม่ตามนิมิตไปมันก็เหมือนกับมันมันมันขึ้นมาตลอดขึ้นมาเรื่อยๆอย่าไปใส่ใจกับมันครับให้คอยรู้กายรู้ใจไปแต่ถ้านิมิตจะเกิดจริงๆนะน้องมันกลับเข้ามาหาร่างกายพิจารณากายลงเป็นปติกูลเป็นอาสุพระเลย แยกธาตุแยกขันธ์แยกเนื้อแยกเอ็นแยกกระดูกอะไรอย่างเงี้ยสลายกายไปเพราะฉั้นเวลาทําสมาธิจนได้นิมิตนละ้วเอามาไล่กายนี่ก็ได้พ อ, อกายนี้สลายไปหมดแล้วใจมิจะเด่นขึ้นมาแล้วก็มารู้ใจต่อถ้าไม่ไม่ตามไปมันเหมือนกับสักพักมันหายไปอ่ามันหายแล้วก็มาอีกครับก็รู้ทันเปลี่ย น, นยเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปไปตัวสําคัญคือรู้จิตของเรา เช่นพอมีนิมิตเกิดแล้วจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนะนิมิตหายไปแล้วจิตเสียดายรู้ว่าเสียดายหรือว่าหายไปแล้วจิตดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยกลับมาดูจิตไว้อา้าวันนี้พอสมควรนะเชิญโยมกลับบ้านไปหลวงพ่อจะปิดวัดหลายวันไม่เจอโยมมีความสุขจะ <laughs> ไปสุรินทร์นั่นแหละไปหาอุปชา